สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะเรามาพบกับรายการสันนีษีส น, นากันอีกครั้งหนึ่งนะคะที่สถานีวิทยุ FM106 รครอบครัวข่าวแห่งนี้แล้วก็ยังมีสถานีวิทยุในเครือพระพุทธศาสนาแห่งชาติอีก154สถานีนะคะให้ท่านได้ฟังกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะวันก่อนดิฉันไปงานเฉลิมฉลองคุณแม่วิจิตตรารัตนเพียร ของครอบครัวรัตนาเพียรซึ่งเป็นครอบครัวที่ทำธุรกิจทางด้านการศึกษาเป็นหลักมีโรงเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนกระทั่งมหาวิทยาลัยที่สอนจนจบปริญญาเอกคือมหาวิทยาลัยรัตนับดิตนี่นะคะดิฉันได้ทราบว่าทั้งครอบครัวเนี่ยก็ยกความสำคัญให้กับความสามารถของคุณแม่วิจิตรารัตนเพียรว่ามีบทบาทอย่างสูงในความสาเร็จไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจหรือว่า ครอบครัวส่วนตัวท่านมีลูกสี่คนจบด็อกเตอร์ครบทั้งสี่คนเลยค่ะแล้วบอมีหลานเก้าคนขณะนี้ทำด็อกเตอร์อยู่ห้าคนแล้จากการที่ได้รู้จักคนในครอบครัวบ้างอย่างด็อเตอร์ประวิตรรัตนเพียรซึ่งก็ดำเนินรอยตามคุณพ่อของท่านคือเป็นนักการเมืองด้วยแล้วก็ยังมีด็อเตอร์วาชิตรัตนเพียรนะะก็เป็นคนที่เรีนว่า น่ารักน่าสนใจและตัวอย่างของบุคคลที่ประสบความสำเร็จและมีความสุขเนี่ยดังันก็ปลว่าเป็นตัวอย่างที่น่าศึกษาเข้าใจว่าการที่จะเป็นแม่หรือการที่จะดำเนินงานเนี่ยนะคะการใช้ชีวิตของท่านจะต้องสอดคล้องกับธรรมะของพระพุทธองค์เป็นอย่างยิ่งเลยแต่ว่าเอาไว้วันหลังเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในรายละเอียดเพราะว่าในรายการของเราเนในห้วงเวลานี้ตั้งแต่ ต้นสัปดาห์เป็นต้นมาดิฉันก็ได้หยิบยกเอาเรื่องของความขัดแย้งในทางโลกเนี่ยมาเป็นโจทย์เพื่อที่จะได้ให้ท่านเปบูณพิปุญโนจากวัดาป่าดอนหายโศกเนี่ยนะคะได้ให้ความกระจ่างว่าในส่วนของธรรมะของพระพุทธองค์ธรรมวินัยจากพระพุทธโอดเนี่ยสามารถจะมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับความขัดแย้ง ได้อย่างไรหรือไม่ไม่ว่าท่านจะเป็นชาวพุทธหรือว่าจะไม่ได้นับถือาศาสนาพุทธดิฉันเชื่อนะคะว่าคาสอนของพระพุทธองค์เนี่ยใช้ได้ทั้งหมดเพราะว่าสิ่งที่ตรัสรู้ตรัสรู้ความจริงที่มีอยู่แล้วแต่ส่งค้นพบนะคะซึ่งพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้เองถ้าใครเคยฟังในช่วงเวลาที่ดิฉันอ่านพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ให้ฟังเนี่ยก็คงจะเคยผ่านในเรื่องนี้มาแล้ว ดิฉันไปอ่านบทความอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะแห่งโรงเรียนไกลกังวลก็ได้เขียนขึ้นมาว่าสังเกตว่ามนุษย์ปัจจุบันเนี้ยค่อนข้างจะศรัทธาต่ออารมณ์ความรู้สึกในด้านดีเนี่ยน้อยลงหรือว่าเหือดหายไปนะคะแล้วก็บอกว่าคนที่มากความสามารถประสบความสำเร็จมองไม่ค่อยเห็นตัวตนทางด้าน ศีลธรรมแล้วก็เลยพูดถึงว่ า, ามีมีนักบวทรูปหนึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะท่านก็ศึกษาในนิกายเซนท่านก็บอกว่าคนเราเนี่ยไม่เคยมีความสุขแท้จริงจากสิ่งที่ตัวเองมีเป็นประโยคที่ทำให้ดิฉันคิดตามนะเพราะว่านจริงไหมเราไม่เคยมีความสุขแท้จริงจากสิ่งที่เรามี คือถ้าคิดในแง่ที่เพื่อนยังเคยบอกผมว่านี่ง่ายๆเลยนะเมื่อก่อนตอนยังไม่มีสตางค์ก็อยากมีวิดิวทรานซิสเตอร์สักเครื่อง 200-300 มเอามาฟังเพลงที่ชอบพอมีเงินเดือนก็ชักอยากได้วิดิว AMFM ที่เสียงสแตนดิโอดีขึ้นมาหน่อยพอมีอะไรมากขึ้นมันก็อยากได้เครื่องเสียงที่ดีกว่านี้แล้วพอได้มาสมใจเนี่ยไอที่เปลี่ยนมาทุกครั้งเนี่ยมันก็ไม่เคยเติมเต็มความต้องการ ได้สักทีเขาเปลี่ยนรุ่นใหม่ก็อยากได้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็อาจจะให้คำตอบได้เหมือนกันว่าคนไม่เคยมีความสุขแท้จริงจากสิ่งที่ตนเองมีแต่เดี๋ยวก่อนหน้าที่จะเข้าเรื่องความขัดแย้งอาจจะกลับเรียนถามท่านไพรบุญอภิพุนโนสักนิดก็ได้ น, นะคะว่าที่จริงหรือไม่ถ้ามองในทางธรรมเนี่ยงั้นก็ไม่ต้องลังเลนะคะรีบไปพบกับช่วงเวลาของถามโลกตอบธรรมกันเลยค่ะ